จะสุขง่ายทุกได้ยากหากฝึกไว้ได้บอกแล้วว่าความสุขประเภทแรกคือความสุขจากการเสพความสุขอิงอามิตรหรือกามาสุขนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของโลกมนุษย์ต้องระวังที่จะจัดการให้ดีเพราะเป็นความสุขแบบแย่งกันจึงต้องรู้จักควบคุม ดังที่ตรัสศีห้าไว้ก็เพื่อมาคุมเรื่องการหาและการเสบวัตถุให้อยู่ในขอบเขตจะหาจะเสบกันแค่ไหนจะแข่งจะแย่งชิงกันไปก็อย่าให้ถึงกับเดือดร้อนนักหนาเบียดเบียนกันจนเป็นยุคมิกรสันยีเมือ่อมนุษย์อยู่ในสีห้าก็พออยู่กันไปได้แต่ไม่เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขอะไรได้มากถ้าจะให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น ก็ต้องพัฒนากันต่อไปท่านจึงบอกศีลแปดให้เอามาฝึกตนเพิ่มขึ้นหลักการของศีลแปดนั้นก็คือว่าหลังจากเราปล่อยตัวหาความสุขจากการพึ่งพาวัตถุเสพมาเจดหรือ8วันแล้วก็ขอพักเสี้ยวันหนึ่งมาอยู่ง่ายๆอาศัยวัตถุหรือของเสพ น, น้อยๆและเอาเวลาที่จะบำรุงบำเรอตัวเองนั้นไปทาประโยชน์อย่างอื่น โดยให้เป็นวันรักษาศีล8วันหนึ่งตามหลักที่เรียกว่าถืออุโบสถในวันขึ้น8ค่ำขึ้น14ค่ำแรม8ค่ำและแรม14หรือ15าค่ำรวมเป็นเดือนละแค่4วันศีลหมุ่งที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้นศีล8ก็เพียงเปลี่ยนข้อ3ของศีลหเป็นเว้นเมถุนแล้วก็เพิ่มมาอีก3ข้อ โดยข้อที่เปลี่ยนและเพิ่มเข้ามานี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเป็นเรื่องของตัวเองทั้งนั้นคือข้อ6เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือเที่ยงไปแล้วไม่กินไม่ต้องมัวบำเรลิ้นข้อ7เว้นจากการร้องรำดนตรีดูฟังการละเล่นต่างๆที่เป็นการหาความสุขด้วยการบำเรอตาบาเรอหูข้อ8 เว้นจากการเสพสุขบำเรอสัมผัสกายด้วยการนอนฟูกฟูหรูหราหนานุ่มนี่คือในแดวันก็เอาเป็นวันฝึกตัวเองเส้ยวันหนึง่งเป็นวิธีการง่ายๆในการทำตัวให้สุขได้ง่ายและรักษาอิสรภาพในการมีความสุขไว้ฝึกอย่างไรคือคนเราก็หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวตามปรารถนาแต่ท่านบอกว่า อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณก็จริงแต่ถ้าไม่ระวังความสุขของคุณจะไปขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้จะมีแต่ความสุขแบบพึ่งพาแล้วพึ่งพาเท่าไรก็ไม่พอก็ยิ่งหามาเสพมาครอบครองจนเป็นเหตุให้แย่งชิงเบียดเบียนกันอย่างที่ว่าแล้วเพราะฉะนั้นให้ฝึกตัวไว้รักษาอิสรภาพไว้เราเคยตามใจตัวหรือค่อนข้างตามใจตัวเอง บำเรอลิ้นด้วยอาหารหาความสุขจากการเสพรสอร่อยมาเจดวันถึงวันที่8ก็ฝึกตัวด้วยศีลข้อหลองดูซิว่าชีวิตจะอยู่ดีมีความสุขได้โดยไม่ต้องขึ้นกับอาหารที่ตามใจลิ้นได้ไหมหมายความว่าเคยกินเอารสอร่อยเป็นหลักมาเรื่อยคราวนี้เปลี่ยนเป็นกินเพื่อสุขภาพเอาคุณภาพชีวิตเป็นหลักบ้าง เอาแค่อาหารพอหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ตามใจลิ้นในทางตาทางหูก็เช่นเดียวกันเคยต้องคอยดูคอยฟังเรื่องบำเรอตาบำเรอหูมาเจ็ดวันแล้วถึงวันที่แปดก็เอาสีลข้อเจ็ดมาฝึกไม่ต้องตามใจมันงดซสบ้างเอาเวลาที่จะตามใจคอยบำเรอตาหูนั้นไปใช้อย่างอื่นเช่นไปพัฒนาจิตใจ หรือไปบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไปทำความดีสร้างสารรค์ชีวิตและสังคมทำการทำงานอดีเรกที่เป็นประโยชน์เคยนอนตามใจตนเองต้องใช้ที่นอนฟูฟูหรูหราพอถึงวันที่8ก็รักษาศีลข้อ8นอนพื้นนอนเสือสักวันลองดูซิว่าเราจะอยู่สุขสบายโดยไม่ต้องเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านี้จะมีชีวิตที่ดีได้ไหม ด้วยวิธีนี้เท่ากับเราระวังไว้ไม่ปล่อยตัวให้ความสุขของเราต้องพึ่งพาวัตถุเสพขึ้นต่อการอามิตรมากเกินไปเราจะรักษาอิสรภาพไว้ได้และไม่ตกไปในกระแสของความหมกมุ่นในการเสพวัตถุเสพกามจนกลายเป็นมนุษย์ที่ทุกง่ายสุขได้ยากการฝึกตัวอย่างนี้จะทำให้เราเป็นคนที่สุขง่ายทุกได้ยาก เดินหน้าไปในการมีความสุขที่เป็นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุมากเกินไปแล้วก็เข้มแข็งไม่สูญเสียความสามารถในการมีความสุขแล้วที่สำคัญมันเข้าทางของการพัฒนาความสุขเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาที่สูงขึ้นไปตอนนี้เราอาจจะพิสูจน์ว่า เรายังมีอิสระภาพยังเป็นอิสระในการมีความสุขยังมีความสุขโดยไม่ต้องขึ้นต่อของเสพมากนักหรือไม่วิธีที่พิสูจน์ง่ายๆก็มาดูคนสองสมพวกต่อไปนี้คนจำนวนมากปล่อยตัวไปเรื่อยๆกับการหาความสุขด้วยการกินเสพต้องกินอาหารอร่อยดูฟังสิ่งบำเรอตาบำเรอหู ดูการละเล่นให้สนุกอยู่กับทีวีนอนฟูกหนานุ่มและหาสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเสพให้มากขึ้นมีของเสพที่ดีวิเศษยิ่งขึ้นไปไปมามาชีวิตและความสุขของเขาต้องขึ้นต่อการวัตถุสิ่งเสษไปหมดขาดมันไม่ได้ชีวิตอยู่ดีลำพังตนเองมีความสุขไม่ได้เพราะสิ่งเสพสิ่งบาเรอนั้นเป็นทางมาทางเดียวของความสุขของเขา พวกที่เข้าทางนี้บางคนจะไปถึงจุดที่ว่าความสุขของเขาต้องขึ้นต่อสิ่งเสบวัตถุบำรุงบำเร อ, อย่างสิ้นเชิงจะต้องมีมันขาดมันไม่ได้ถ้าไม่มีเขาจะทุรนทุ ร, รายเหมือนกับบอกว่าฉันต้องมีมันถ้าไม่มีมันฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องตายแน่ๆถ้าถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาสูญเสียอิสรภาพไปหมดสิ้นแล้ว แต่คนที่ฝึกตัวตามหลักถืออุโบสถรักษาศีลแปดนี้จะอยู่ง่ายสุขง่ายขึ้นค่อยๆเป็นอิสระจากเครื่องบำรุงบำเรอทั้งหลายมีความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาได้มากขึ้นจึงไม่สูญเสียอิสระภาพเวลาพูดถึงสิ่งบำรุงบำเรอความสุขเหล่านั้นเขาจะบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้มีก็ดีฉันก็สบาย แต่ไม่มีมันฉันก็อยู่ได้นะนอนเสือนอนกระดานฉันก็นอนได้เป็นอิสระคล่องตัวดีแล้วแถมไม่เป็นโรคปวดหลังอีกด้วยบางคนนอนฟูกไปนานๆนนเป็นโรคปวดหลังไม่ได้ฝึกตัวเองจนต้องถูกหมอบังคับหมอบอกว่าต่อไปนี้คุณต้องนอนพื้นนอนเสือนอนกระดานจะได้ไม่ปวดหลังอย่างนี้เป็นต้น เป็นอันว่าเราก็รักษาอิสระภาพไว้ได้เราสามารถพูดได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ถ้าพูดหรือคิดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ายังมีอิสระภาพต่อมาเราเก่งขึ้นไปอีกก็จะมองเห็นและรู้สึกว่าสิ่งบำรุงบำเรอฟุ่มเฟยหรูหราเหล่านั้นเกะกะเกินจำเป็นถึงตอนนี้เราจะพูดว่า มีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือยิ่งกว่านั้นว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีมีฉันก็ไม่ว่าแต่ถ้าไม่มีก็ดีฉันจะได้เป็นอิสระคล่องตัวดีเราฝึกตัวไปแม้แต่ในชั้นต้นเราก็จะมีชีวิตที่คล่องตัวขึ้นมากซึ่งทาให้เราทั้งสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากขึ้น และสามารถมีความสุขได้ง่ายขึ้นด้วยสิ่งเหล่านั้นจะมีคุณค่าพอดีของมันคือบริบูรณ์ในตัวไม่ใช่ว่าจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นทุกทีโดยมีสุขเพียงเท่าเดิมเราจะกลายเป็นคนที่ว่าฉันอยู่โดยลำพังเองฉันก็สุขได้แต่มีสิ่งเหล่านี้มาก็ใช้มันอย่างรู้เท่าทันเป็นเครื่องเสริมสุขทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นได้ ให้สิ่งเสพเป็นเพียงสิ่งเสริมสุขแต่อย่าให้มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสุขของเราถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสุขของเราก็แสดงว่าเราหมดอิสระภาพแล้วเราต้องเป็นคนมีความสุขได้ในตัวเองแล้วสิ่งเหล่านั้นมาเสริมความสุขของเราแล้วท่านก็แนะนาไว้ด้วยว่าเมื่อรักษาอุโบสถก็ให้เอาเวลาที่ไดจากการงดเสพ ไปทำพวกอนวัตกรรมกรรมที่ไม่มีโทษไม่เป็นโทษคือพอเราไม่ยุ่งกับการหาเสบบำรุงบำเรอตัวเราก็ได้เวลาเพิ่มขึ้นมาเฉยเฉยอีกเยอะทีนี้ในวันที่รักษาอุโบสถนั้นก็เอาเวลาที่มีขึ้นมามากไปจัดใช้ให้เป็นประโยชน์ค้นคว้าหาความรู้อ่านหนังสือธรรมะหรือเรื่องที่ดีๆไปให้ความรู้แก่เด็ก ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เจริญภาวนาหรือไปบำเพ็ญประโยชน์เช่นไปเลี้ยงเด็กกำพร้าไปเยี่ยมผู้เท่าชาราเป็นต้นนี่เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเมื่อมีโอกาสก็ควรลองดูรักษาศีลแปดเพียง8วันครั้งเดียวไม่ยากแต่คุณค่าเหลือคุ้มทำให้รักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ได้ และทำให้เป็นคนสุขง่ายด้วยวัตถุน้อยเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนายิ่งขึ้นไปแถมยังดีต่อสุขภาพส่งเสริมคุณภาพชีวิตทำให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์มากขึ้นอีกด้วย